พวกเราควรทําอุโบสถหูไม่ควรทําทําอุโบสถยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงเมื่อภิกษุเหล่านั้นกําลังยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นเพงยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงใหม่พวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องอาบัติทุกกฏวงเล็บหนึ่งภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้น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 พวกภิกษุผู้มาทีหลังเพึงฟังอเทศที่เหลือพวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องเอาบัตรทุกขกดวงเล็บสามภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในาวาดแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นมีภิกษุที่อยู่ในาวาดหลายรูปแต่ประชุมกันสีรูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาดพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่ไม่แน่ใจว่า พวกเราควรทำอุโบสถหรือไม่ควรทำทำอุโบสถยกปาธิโมกขึ้นแสดงพอภิกษุเหล่านั้นยกปาธิโมกขึ้นแสดงจบขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดผู้อื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงยกปาธิโมกขึ้นแสดงใหม่พวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องเอาบัตรทุกกฏวงเล็บสีพอภิกษุเหล่านั้นยกปาธิโมกขึ้นแสดงจบขณะนั้น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 ภิกษุที่อยู่ในอาวาตพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นเพิ่งยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงใหม่พวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องบัรทุกขกดวงเล็บเจ็ดพอภิกษุเหล่านั้นยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงจบบริษัทยังไม่ทัะลุกขึ้นขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวัตพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันปาฏิโมกข์ที่ภิกษุเหล่านั้นยกขึ้นแสดงแล้วเป็นอันยกขึ้นแสดงดีแล้วพวกภิกษุผู้มาทีหลัง พงบอกปราริสิดที่ในสำนักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องอวบทุกกฎวงเล็บ8ปดขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าวงเล็บ9อพอภิกษุเหล่านั้นยกปาทิโมกขึ้นแสดงจบบริษัทลุกขึ้นบางส่วนขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าวงเล็บ10บขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันวงเล็บ11 ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดผู้อื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่าวงเล็บ12อพอภิกษุเหล่านั้นยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงจบบริษัทลุกขึ้นทั้งหมดขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่าวงเล็บสินสา ม, ข, ข, มขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาด พวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าวงเล็บสิบห้าเวมาติกับปนรษะจบ